ทำนาตอนข่าวมันขึ้นราคาอยากให้พี่ยาทำนาดูถ้าพี่จริงรักจริงจริงจากจิตใจพี่ต้องจดจำไว้ให้หัวใจ หนูเป็นชาวนาเมื่อพี่ไปไกลอย่าหลงกับไกลพูด ส, มสม่มๆพี่อยู่กลหัวใจน้องกลุ่มร้อนรุ่มดังเดือนเมษ า, าน้ำตาลใกลหมดอย่าให้แห้งหดอะไรหาอย่านานให้พี่กลับมา พี่จะไปนานเมื่อกลับบ้านรุ่งไกลผู้ชายบางกเคาว่าชอบหลอกกว่าใครใครกลัวพี่ไม่รักปากใจลวงสาวปากไท ง m not a กไ o l